วิธีระงับอุคเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติอย่างนี้คือภิกษุชนะนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย นั่งกระโยคประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตพึงขอแม้ครั้งที่สองท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุกเขปนิยกรรม เพราะไม่ทำคืนอาบัตแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อญิงกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัตพึงขอแม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อญิงกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับอุคเขปนยกรรม เพราะไม่ทําคืนอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิงกลับตัวได้ขอระงับอุเคปนิยกรรม เพราะไม่ทำคืนอาบัตถ้าสงพร้อมเพียงกันแล้วพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุชนะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่หยิ่งกลับตัวได้ ขอระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตส ง, รงกระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุช น, นะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะรไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุช น, นะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิงกลับตัวได้ขอระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตสงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแกภิกษุชนะแล้ว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 ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุอบงงบอกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติสงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุชนะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุชนะท่านรูปนั้นผึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติสงระงับแก่ภิกษุชนะแล้วสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติที่หกจบ